ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกตามเดิมสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาข้ออีกอันหนึ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนา นั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสงเคราะห์ลูกเมียให้เป็นสุขเนี่ยควรสงเคราะห์ลูกลำเมียให้เป็นสุขโอ้โหเอ่ความจริงการมีลูกการมีเมียนี่เวลานี้ใครเขามีหน้าที่ยังไงก็ไม่ทราบท่านบอกว่าถ้าชาวโลก ที่จะใหมีความเป็นสุขจริงๆก็ควรจะห่วงลูกควรจะห่วงเมียที่อยู่ข้างหลังจะถือว่าเมียที่เราหามาแล้วเขาก็มีความสามารถบางทีเขาก็มีเงินดาวเงนเดือนบางคนสา ม, มีเป็นชั้นโทแต่พัรยาเป็นชั้นเอกแล้วบางคน สามีเป็นแค่รองอธิบดีแต่พัญญาเป็นรัฐมนตรีแต่เมื่อเขามีฐานะดีอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะห่วงหรือว่าพ่อเป็นสิบเอกแต่ว่าลูกเป็นร้อยเอกก็คิดว่าลูกดีแล้วพ่อไม่ควรจะห่วงถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าว่าถ้าผู้พูด คิดว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ถูกความห่วงในที่นี้ไม่ดีหมายความเม่าคงในฐานะที่ต่างคนต่างหามาได้ให้มีความห่วงใหญ่กันในฐานะที่มีความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรามีพัญญาพัญญาต้องการความอบอุ่นจากสามีสังเกต เคยได้รับฟังอยู่เสมอว่าท่านพัญญาที่มีทรัพย์สินมากๆแต่ว่าเกิดความระทมใจเจ้าสามีที่มีความไม่มีความห่องอยนี่มีเยอะเคยรู้จักหลายหลายท่านไม่ใช่ท่านเดียวมีเงินนับร้อยล้านแต่เขาอาจจะมีถึงพันล้านก็ได้แต่ได้ว่าสามีไปมีเมีย ม, มากเขา ไม่ใช่มีเมียน้อยถ้ามีเมียน้อยก็ดีพัญญามีความสุขเพราะมีคนเดียวตั้งมาเอิญสา ม, มีถ้าเป็นคนมีเมตตาดีเห็นหญิงอื่นไร้คู่ครองเกรงว่าจะหงอยจะเหงาถ้าเลยตั้งท่าเป็นคนมีเมตตาไปเอาหญิงอื่นมาเป็นพัญญาใหม่ รายกดเงินในบ้านนับร้อยล้านไม่ได้เป็นเครื่องบรรลุใจให้มีความสุขสำหรับพัญยาเลยเป็นอันว่าท่านมีแต่ความทุกข์มีแต่ความระทมบางรายสามีส่งเดือนเงินให้ใช้เดือนละตั้งหกเจ็ดหมื่นแต่ได้ว่าสามีไปมีเมียเล็กๆเกป็นหลายคน ไปดูคนเบอร์เพจนี้คิดว่าจะมีความสุขท่านก็เลยเอาเงินหกเจ็ดหมื่นนำมาลั่งเล่นไพ่แก้กลุ่มไม่ได้สะสมเอาไว้ถามว่าทําไมยิงทำอย่างนั้นท่านก็บอกว่ามันกลุ่มทำว่ากลุ่มตอนไหนกลุ่มที่ตอนที่สามีมีมีมีเมียมากไม่ใช่มีเมียน้อยดูเธอไอ้ที่ขึ้นชื่อว่าฐานะความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะมั่งคั่งสมบูรณ์ ที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่าสามีเป็นชั้นโทพัญญาเป็นชั้นเอกมีเงินเดือนมากกว่าว่าสามีเป็นรองอธิบดีพัญญาเป็นรัฐมนตรีมีเงินเดือนมากกว่ามีรายได้พิเศษมากกว่าก็จงอย่าคิดว่าเขามีความสุขความสุขที่พัญญาต้องการก็คือความอบอุ่นในครอบครัวสาหรับบุตรลธินดาก็เหมือนกัน ก็ต้องการความอบอุ่นความเอาใจใส่ของบิดาเป็นสำคัญเพราะว่าเป็นพ่อบ้านถ้าเรามาพูดกันทึงคนธรรมดาคนที่เขารักลูกรักเมียต้องการให้ลูกเมียมีความสุขเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้คือหนึ่งไม่เป็นคนโหดร้ายไม่ใช่คนดุ ไปก่อเรื่องกับชาวบ้านชาวเมืองเขาให้สร้างความเดือดร้อนเสียทรัพย์เสียสินเสียสุขภาพของร่างกายก็ถูกทำร้ายมาหรือถ้าไปทำร้ายเขาก็มีเรื่องมีราวต้องเสียเงินเสียทองเข้าคุกเข้าตารางอย่างนี้ลูกเมียมีความทุกข์ถ้าหากว่าสามีเป็นคนขี้รักขี้ขมโมย คอยโกงเขาเชาบ้านเขาก็เกลียดตำหน่าทั้งสองอย่างในชาวบ้านเขากเกลียดเท่านั้นแหละเขาจับได้มีโทษตีคุกติดตารางก่อนจะติีคุกติดตารางก็ต้องสู้คดีกัน <c oughs> สร้างความหวัน่นความสะท้านสูญเสียทรัพย์สินที่พึงบงํารุงลูกบํารุงเมี เพไปเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับเจ้าหน้าที่นี่ก็หมายถึงว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับเจ้าที่ที่ไม่รับไม่เกี่ยวหรือม่แคนั้นก็เสียแกท่านหน่อยบรรทุกผู้แก่ต่างความสูญเสียทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจะมาเลี้ยงลกูกเลี้ยงเมียมันก็จะมีความสุขตัวเองก็ไม่มีความทุกข์นี่เขาต้องเล่นอย่างนี้คนรักลูกรักเมีย แล้วราการอีสานคนรักลูกรักเมียเราก็ <c oughs> ここต้องมีเมียน้อยอย่าไปมีเมียมาก <c oughs> คือว่ามีเมียน้อยก็คือมีแต่เมียคนเดียวไม่มีเมียมอื่นเ๋ยวไม่ต้องมีแถมไม่ต้องมีเมียเก็บไม่ต้องไปเห็นใจคนอื่น พราะว่าก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราได้ให้สัญญากันไว้แล้วว่าเราจะรักกันเจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเจะประครับประคองกันให้มีความสุขถ้าเราไปมีเมียมากเข้าบางทีข้าวมันไม่ก็จะมีกินเหมือนกันพ่ออะไรไปบ้ันโนนบบันนลเขาโมาโห ว, ว่าเป็นคนเจ้าชาาาานนานนู้เขาบอกข้าวหมดแล้วมาบันนีบันนีเขาบอกข้าวหมดแล้ว เราเป็นคนมีบ้านหลายบ้านเป็นคนมีเมียหลายเมียก็เลยต้องไกลเป็นคนโสดไปข้าวบ้านน้อยก็ไม่ได้ข้าบ้านนี้ก็ไม่ได้มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึง่งน่าดีตท่านเป็นคนมีเมียมากเมียประจำก็มากเมียพิเศษก็มากแต่ว่าในการบางครั้งท่านก็เป็นคนไร้เมียเหมือนกัน ท่านเว้นจากเมียพิเศษจะต้องการเข้าไปหาเมียรประจำเมียรประจำท่านโมโหท่านก็เลยใส่กลอนบ้านไม่ยอมให้เท่าเรียกเท่าไรเท่าไรเมียก็ไม่เปิดกลอนให้เป็นอันว่าท่านวันนั้นท่านก็ต้องนอนตากอยู่ไม่มีวงจะกลางจะต้องใช้อากาศเป็นที่รักใช้ความหนาวเป็นเครื่องประคับประคองมีความช้าใจมันก็เกิดเหมือนกัน ฉะนั้นทาราห่วงบทพัญญาของท่านก็จงเป็นคนมีเมียนน้อยอย่ามีเมียมากนี่การใช้สาบของคนพูดนี่มันจะขวางใจขวางหูชาวบ้านมาแล้วเปล่าก็ไม่ทราบแต่ขอพูดตามความเป็นจริงคนมีเมียหลายคนบอกว่ามีเมียน้อยมันนี้ที่ไหน จำนวนมันมากขึ้นบอกว่าน้อยนี่มันไม่ถูกใช้ภาษาภาษาไทยกันไม่ถูกนี่ว่าใครเขาเปล่าเนี่ยเขาใช้กันมาทั้งโลกแต่อีเจ้าคนคนนี้มันบอกว่าเขาใช้ไม่ถูกใครเป็นคนไม่ถูกก็นั่งพิจารณาของเราเองก็แล้วกันพูดกันตามภาษาไวยากรณ์ ในคนที่มีความห่วงลูกหงเมียก็ต้องมีคนมีวาจาเป็นสัจจะอยา่าโกหกลูกอยาก่าโกหกเมียสองมีวาจาอ่อนหวานชุ่มชื่นพูดในรับความชื่นใจมีอะไรเป็นที่ผิดพ้องหมองใจลูกทำผิดเมียทำผิดก็เติบตักเตือนด้วยความหวังดีใช่วาจาดีๆพูดกันฟังง่าย แล้วก็อย่าพูดวาจาเป็นเครื่องเสียดแทงใจให้เกิดความแตกร้าวระหว่างกันและกันอย่าใช้วาจาเป็นที่สะเทือนใจกันอย่างนี้ดีไหมแล้วถ้าเราห่วงลูกของเมียก็อย่าเอาเงินไปแจกเจ้าของสุราอย่าเมา ทรัพย์สินเนื่องหลายเรานั้นที่เราไปซื้อมากิ่นข้าเมื่อเมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างลงเมาที่อย่างเดียวทุกเสิ่งทุกอย่างเป็นของเล็กเรื่องคุกเรื่องตารางในมันเล็กไปหมดหมายความว่าฉันมีอำนาจที่จะเข้าคุกเข้าตารางมาอะไรก็ได้ดีไม่ดีแขงขาที่มีไว้ใช้เป็นประโยชน์ฉันจะให้คนอื่นตัดเส้ขาดมาอะไรก็ได้ ชีวิตที่ควรจะส่งต่อไปก็สามารถที่จะพลีตายเสียมาอะไรก็ได้เพราะความเหมวนี่เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ถ้าการอย่างนั้นเกิดขึ้นลูกเราเมียจะความมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์รายการที่สองถ้าเกิดเรื่องเกิดราวก็ต้องเสียเงินเสียทองเป็นกรณีพิเศษ ต้องเอาเงินที่มีไว้สําหรับบารุงลูกบารุงเมียบำรุงตัวไปเสียแก่คนอื่นเขาทํางานมาเกือบตายไปเสียเงินในเขาเพราะความเมาเป็นสําคัญดำเนการต่อไปถ้าไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรกินดีดื่มดีดื่มดื่มประเภทชั้นดีเพราะว่ากินแล้วก็ น, นอนไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่ไปพักไม่ไปผ่อนไม่ไปอาบไปอบไปนโนดไม่เป็นคนขี้เมื่อยไม่เป็นคนขี้ร้อน กินแล้วก็กลับบ้านจะรู้สึกว่าคนประเภทนี้นั้นกินดีเมาดีแต่อย่าลืมว่าเองเงินที่เสียไปข้าสุราเมีไรนี่วันละเท่าไหร่ตั้งบัญชีเขไว้ปีหนึ่งสามหห้าวันมันเท่าไหร่สิปีเท่าไหร่ยี่สิบปีเท่าไหร่สาสิปีเท่าไหร่กินมากี่ปีตั้งอบเขไว้ เงินจำนวนนี้ถ้าเราไม่จับเราจะนำมาจับจอยจ่ายใช้สอยอย่างอื่นเป็นการบำรุงความสุขภายในเราจะมีความสบายมากขึ้นหรือว่าเราจะลำบากมากลงเพราะเงินจำนวนทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่จ่ายในการดื่มสุราเมรัยจะกลับมาใช้ในบ้านมีคนข้อธรามมาคนหนึ่งเธอเป็นเด็กเป็นนายทหาร เป็นลูกสิษย์มานานสมัยหนึ่งเธอดื่มสุราเมรัยเกือบเกือบจะต้องถูกไล่จากผู้บังคับบัญชาเธอเลยไปขอร้องผู้บังคับบัญชาว่าเรื่องขวัญในก็เป็นเรื่องขวัญในแปลว่าอย่าเพิ่งให้ออกเลยเอาแต่เพียงลงโทษไม่พิ้งอันเดือนก็พอหรือกัก บ, บริเวณจะขังก็ได้ แต่ก็ให้สัญญากันไว้ว่าถ้าเมาต่อไปแล้วก็ขอให้ไล่จากงานทันทีเป็นนั้นว่าเธอก็ยอมรับผม ว, ว่าขับบัญชาก็ก็อนุโลมตามแต่ว่าโทษของเธอนั้นมันก็ไม่ถึงกับมากมายเกินพอดีนักแต่ก็เห็นว่าเธอเมาขนาที่เป็นนายทหารนี่ต้องเป็นหนี้ในสิบนี่มันก็แยกกันอยู่แล้ว เสียศักดิ์ศรีขุนนายทหารลูกเมียก็เต็มไปได้วยความลำบากหลังจากนั้นเธอเริ่มเลิกดื่มสุราเมรัยมานึงปีพูดพูดไปพบเธอเข้าเธอก็อวดความดีเธอบอกว่าเลิกดื่มสุราสิปีเดียวมีวิทยุให้ลูกฟัง มีโทรทัศน์ให้ลูกดูนี่สินเนี่ยเคยปลายกฎมีก็ไม่เคยมีมีความอยู่เป็นสุขสบายยังได้ย้อนถามเธอไปว่าเวลานี้รู้สึกตั ว, วได้อย่างว่าเป็นคนน่ะมันดีกว่าเป็นสัตว์ทตนเธอก็ก้มลงกราบบอกดีจริงๆเขารับผมยออยอมรับ ว่าคำตักเตือนเดิมที่ตักเตือนไว้นั่นมีประโยชน์ที่มันเป็นโทษกระเพาะขม ฝ, าฝ่าฟืนต่อแต่นี้ไปตลอดชีวิตจะไม่ขอดื่มสุรามีไรต่อไปเ็าขอโมทนาก็เลยโมทนาให้เธอในคนที่มีความห่วงลูกหวงเมียเพื่อให้เป็นสุขก็ต้องประกอบกับไดเมตตาความรักใจรักลูกรักเมียเป็นปกติ ก็นามีจิตคิดสงสารตั้งใจไว้เสมอว่าจะสงเคราะห์ทุกอย่างเท่าที่ความสามารถจะมีได้ให้เธอมีความสุขกันและอารมณ์อิริษยาอาทันก็ต้องไม่มีในจิตมีความรู้สึกในคิดว่าลูกหรือเมียถ้าเขาะมีงานมีการมีศักดิ์ศรีใหญ่มากเท่าไรเราจะดีใจกับเธอไม่ชาอิริยาเธอ แล้วก็อย่าทิ้งความลำเอียงทิ้งทำสิบรายการคือไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความกโกรธไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวให้การลำเอียงสิบรายการนี้ไม่แนะนําอาจจะเพียงว่าตั้งใจให้มันตรงเท่านั้นองค์สมเด็จพระ毗ชิตามานที่สอนที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าอย่างนี้ ท่านเห็นได้อย่างว่ามันเป็นความดีหรือไม่ดีควรจะรับปฏิบัติตามหรือไม่ในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตกรกล่าวว่าจงอย่าทําการงานให้ข้างค้างมานับว่าการงานทุกอย่างที่เราไปทำเนี่ยอย่าปล่อยให้การงานมันค้างมีอะไรทําให้หมดที่ผู้บังคับบัญชากําหนดให้ทํา พยายามทำนิตยแต่ก็เต็มความสามารถมีฉันทะคือความพอใจในกายงานกายงานในหน้าที่มันจะมากบรรยานน้อยอยังไงก็ตามทีไม่ทิ้งกายงานให้ครัง้งรับคำสั่งให้ทำเท่าไหร่ทำหมดเท่านั้นฉันทะวิริยะมีความเพียรบักบันถึงแม้ว่าบรนจะนักสะเพียงไรก็ตามที ยิ่ยากจะลาบากเท่าไรก็ตามทีก็คิดว่าการงานประเภทนี้นั่นแหละที่จะช่วยให้เรามีความสุขผลที่เราจะได้มาเป็นเงินเป็นทองก็เพราะอาศัยการงานจะเป็นขเดเอ ก, การจะเป็นพ่อค้าจะเป็นลูกจ้างจะเป็นชาวไร่ชนาก็ตามงานอันใดที่คนจะทําเสร็จในวันนั้นที่กําหนดไว้ต้องทําให้เสร็จตามนั้นนี่ประการหนึ่ง จิตตสนใจฝักไฝในกิจการงานนั้งคิดไม่เสมอว่าการงานประเภทนี้เราจะต้องทำด้วยดีไม่ยอมละเทิ้งในการงานวีมังษาใช้ปัญญาพิจารณาก่กรที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างจะเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างเป็นข้าดา ก, การเป็นพ่อค้าก็ห า, าบุนดีจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ตาม ก่อนที่จะทำงานประเภทนั้นลงไปต้องใช้ปัญญาช่วยพี่เจรณาดูเสก่อนว่าไอการงานที่เราจะลงมือทำไปเนี่ยมันถูกแล้วมันผิดมันมีผลดีหรือมีผลร้ายมีผลดีมากแล้วมีผลดีน้อยเราเลือกเอาด้านมีผลดีมากด้านมีผลดีแล้วก็ต้องเลือกเอาดีมากไม่ใช่ดีน้อย ถ้าทุกคนปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสงฆ์เสวัรมิโสภาคแนะนำมาอย่างนี้ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพระุทธศาสนาช่วยโลกแล้วหรือยังโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์นี่คือขั้นต่อไปองค์สมเด็จไรจอมไตรทรงแนะนำว่าควรให้เนะ ก็ควรประพฤติธรรมหนึ่งคำว่าควรให้นี่หมายความว่าต่างคนต่างมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าใครเขาไข่ข้องอะไรใครข้องในวัตถุเราก็ทรงเคาะเกื้อกูลกันในวัตถุถ้าวัตถุเราไม่มีจะให้เราก็ให้คําแนะนำํำไม่ว่าให้แรงงาน ต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ในโลกใ น, นโลกนี้จะมีความสุขแล้วก็มีหรือว่ามีความทุกข์นั่งคิดกันให้ดูดีต่างคนต่างให้กันใครขัดสนจนยากใครข้องได้อะไรก็ตามเรามีเราไม่ยังเกียดเต็มใจให้พร้อมใจให้ ต่างคนต่างให้ในะคนผู้ให้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะมานั่งรับความช่วยเหลือเขาตลอดเวลาว่าต่างคนต่างสงเคราะห์ต่างคนต่างช่วยเหลือต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาขาดเกลือเราให้เกลือเขาเราขาดพริกเขาให้พริกเราเขาขาดน้ํำเราให้น้ําเขาขาดข้าวเขาให้ข้าวต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน โลกนี้มีความสุขและมีความทุกข์และตั้งกล่าวว่าต่างคนต่างจงประพฤติรรทำแปลว่าความดีส่วนใดก็ตามที่กฎระเบียบบังคับวางไว้พระประเพณีมีอยู่เราปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีมีแต่การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีแต่ความรักความสงสารซึ่งกันและกันไม่มีความอิจฉาดิสยากซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันถ้าทําได้อย่างนี้นั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าจงสงเคราะห์ญาติทั้งหลายให้มีความสุข นี่คำว่า ญ, ญาติในที่นี้เราจะถือวงคแบคบเกินไปมันก็ไม่ถูกญาติสืบสายได้กูนก็ดีญาติร่วมประเทศก็ดีญาติร่วมโลกก็ดีที่ว่าเป็นญาติเหมือนกันมีฐานะเท่ากันหรือว่าเป็นต่างคนต่างเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันถ้าเราสามารถจะเกื้อกูลกันได้ต่างคนต่างสงเคราะห์ ไม่ใช่สงเคระคนเดียว <c oughs> ต่างคนต่างให้ต่างคนต่างสง่งเคราะห์กันเอเรื่องที่จะต้องมาตั้งจัดสรรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งและกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเป็นนายแล้วทรัพย์สินทั้งหลายในโลกที่คนทั้งหลายได้ทั้งหมดเอามาแบ่งปันกันมันก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเจ้าไม่ต้องมีนาย <c oughs> เมื่อคนทุกคนเกื้อกูลเส้นกันอะกันอย่างนี้ทั้งหมดทั้งโลกโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วเึื่องกล่าวต่อไปว่าการกระทําทุกอย่างต้องไม่มีโทษคือไม่ทํางานที่มันมีโทษก็ได้ทํางานที่ฝ่าฝืนกฎหมายฝ่ฟาฝืนระเบียบฝ่ฟาฝืนประเพณีนิยม แต่การกระทำอย่างนั้นมันฝ่าฝืนเราไม่ทำมันมีโทษคำว่าโทษก็หมายได้สร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับใจของเรากฎหมายวางไว้อย่างไงกฎข้อบังคับของหมู่คณะวางไว้อย่างไงเราเพณีนิยมวางไว้อย่างไงเราทำอย่างนั้นทุกอย่างทุกคนต่างคนต่างทำเหมือนกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ชันคิด แล้วต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าจงงดเว้นจากการทาบาปคําว่าบาปแปล ว, ว่าความชั่วอะไรเราที่เป็นความชั่วสิ่งไรที่เราไม่ต้องการบ้างหนึ่งการทำลายร้างร่างกายเราสองการประหัตประหารชีวิตของเราเป็นข้อเดียวกันและดับที่สอง คือว่าทรัพย์สินของเราเราไม่ตอ้องการให้ใครมายื้อแย่งไปรายการที่สามคนรักเราไม่ตอ้องการให้เขามาแ ย, ย่งเรื่การที่สวาจาไม่จริงเราไม่ต้องการรับฟังวาจาหยาบเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่สร้างความแตกรราสิ่งใครกันเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่เป็นเครื่องเสะเทือนใจเราไม่ต้องการรับฟัง แล้วก็ห้าการสร้างทำลายสติสมัมปชัญญะให้หมดไป <c oughs> เป็นคนไร้สติสมัมปชัญญะเราไม่ต้องการมีเราต้องการอย่างเดียวคือรักสิ่งกันละกันสงสารสึ่งกันอะกันไม่ชาริษยาสิ่งกันละกันเราก็ต้องเว้นส่วนที่มันโชว่วเสียสิ่งที่เราไม่ชอบที่ ก, กล่าวมาเมื่อกี้ทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นบาปคือความชั่วเราเว้นซะ แล้วก็ทำความดีในด้านความรักความสงสารความเมตตาปราณีสิ่งอะไรกั น, กนถ้าทุกคนทำเว้นจากความชั่วประพฤติความดีตามนั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือมีความทุกข์ใน <c oughs> ข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไทยกล่าวว่าจงส้ำรวมคือว่าระมัดรวังเว้นจากการดื่มน้ำเมา เพราะว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ท่านพูดง่ายๆความจริงเรื่องน้ำเมานี่ก็พูดมาแล้วไม่ต้องทิมบายถ้าคนทุกคนในโลกนี้ไม่ดื่มน้ำเมาเสร็จแล้วโลกมันจะตั้งอยู่ได้ไหมยังไม่ต้องไปห่วงพ่อค้าที่เขาขายน้ำเมาถ้าหากว่าเขาไม่ขายเราไม่ดื่มเขาก็หากินทางอื่นได้ และบริการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าจงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทข้อนี้เอาเก็บไว้พูดกันวันหน้ากนแล้วกันเทราว่าวันนี้มองดูเวลาบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายเวลามันหมดเส็จแล้วโค้ต่อไปไม่ไหวก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พนะิพัฒน์นมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้ฟังและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี